พระอนุบัญญัติ236ภิกษุจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเป็นสังฆาทิเศษยกเว้นไว้แต่ฝันเรื่องภิกษุหลายรูปจบ